ตั้งใจว่าช่วงบ่ายจะเรียนอภิธรรมตสังหะซึ่งอภิธรรมมัตสังขะนั้นใช้เล่มเนี้ยนะคือในเล่มนี้จะมีทั้งอภิธรรมมัสังหะด้วยมีดีกาด้วยนันะนะคือเรียนสุภาคบ่ายอาจจะครั้งละสองชั่วโมงเนี่ยนะคิดว่าครั้งละสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงกว่ากว่าเพราะว่าจะเรียนได้อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเองนะจะเพาวันเสาร์ช่วงบ่ายในอภิธรรมสังหะเนี่ยนะนะ คือเรียนกึ่งฝึกใช้คมภีร์ด้วยนั่นไว่าบทนี้อัตถกถาขยายอย่างนี้บทนี้อัตถกถาดีกาขยายอย่างนี้เนี่ยนะก็เท่ากับฝึกอ่านพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจิตแล้วก็เจตสิกรูปคือจะได้เข้าใจคําว่าปรามาทินี่ <c oughs> คือปรามาทินั้นไปดูมาแล้วว่าอย่าง เนื้อความแห่งพระพิธรรมทั้งหลายถ้าจะกล่าวโดยปรมัติยมีอยู่สอย่างอันนี้หมายถึงพระพิธรรมปิดกนะถ้าจะย่อมาจริงๆแนวะพิธรรมปิดกนะสภาวะรุนรนที่ ท, ที่พระองค์แสดงเยอะแยะไปหมดมีอยู่4อย่างคือจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานทีนี้พูดถึงพอคนศึกษาแบบนี้เข้าเอาปรมัติยไปใส่ไว้ในพระสูตร เ อ, เอาคําตรงนี้นะไ ป, ไปใช้กับพระวินยัยกับพระสูตรเข้ามันก็เลยผิดวัตถุประสงค์ของการแสดงนะวัตถุประสงค์ของการแสดงคําว่าประมัด ใ, ในอภิธรรมมัทสังกะหะเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานไปเรียนพระอภิธรรมปิดกเนี่ยนะเป็นพื้นฐานเพราะฉะนนั้ท่านก็บอกว่าอภิธรรมปิดกถ้าจะว่าโดยเนื้อความแล้วมีอยู่4อย่างคือจิตเจตสิกรูปและนิพพาน เพราะอะไรเพราะคำว่าจิตก็ใช้หลายศัพท์มากเจตสิกใช้หลายศัพท์มากอย่างแม้กระทั่งเจตสิกอย่างเดียวก็ใช้ตั้งหลายชื่อเนี่ยนะทั้งก็เลยกล่าวรวมย่อว่าทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นเรื่องของเจตสิกนะอน น, นัเพื่อเพื่อสะดวกต่อต่อการศึกษาต่อไปเนี่ยนะแต่ว่าในยุคหลังใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปเพราะฉะนั้นเอออะไรก็ประมัดไว้ยอย่างเดียวเนี่ยนะ จนธรรมะเนี่ยเอ็นไปเยอะแล้วนี่นะที่เสาหลักๆดีๆเนี่ยนะคนมาผลักซ้ายทีผลักขวาทีเนี่ยหลวมไปเยอะแล้วคําสอนก็ชักจะเอียงไปอีกไม่นานนี้สงสัยจะล้มจริงๆอันนะถ้าถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือขนาดนี้อันในช่วงบ่ายคิดว่าจะเรียนอภิธรรมมทสังหะแล้วก็ถือว่าเป็นบาดฐานของใครที่ยังไม่ได้เรียนพระพิธรรมก็ควรเรียนนะนีย ผู้ที่เรียนแล้วก็ก็ดีแล้วถ้ามีเวลามาทบทวนก็ไม่เป็นไรหรือจะไปค้นอภิธรรมปีดกก็ได้คือเคยแจกแล้วนะหนังสือเหล่าเนี้ยคือเราไปเก็บตุนไว้ในในบ้านไม่รู้ว่าตรงไหนแหละแต่ว่าเคยเคยแล้วล่ะหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องกับผู้การทงชัยเนี่ยนะคงได้ไปนะน่าจะมีไม่ใช่ก็ไปเก็บไว้จนอย่างดีเลยนะแล้วก็ไปไปค้นคนดูนะที่บ้านน่าจะมีเนี่ย ขออาจารย์สมพรเนี่ยนะเชินพ่อคือข้างหน้าจะมีอภิธรรมมัทสังกหะจริงๆแล้วอภิธรรมมัทสังกหะประเชษหนึ่งเนี่ยมีอยู่16หน้าเท่านั้นเอง16หน้าเล่มเล็กๆนะตัวอภิธรรมมัทสังกหะจริงๆแต่ที่เรามาเรียนกันอย่างกว้างขวางอธิบายมากอันนี้หมายถึงดีกา แล้วก็เอาที่อื่นมาประกอบประกอบประกอบกันเข้าก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตจริงๆแต่เก่าแต่ก่อนแล้วเข้าเอาไว้สวดซึ่งอาจจะสวดร่วมกันสักสองชั่วโมงเสร็จเ็จก็จบหมดแล้วอย่างเงี้ยตัวตั ว, ตวพิธามแท้ๆนะถ้าว่าโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรก็สักสองชั่วโมงก็จบหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็คือลักษณะประยุกต์และเอาเรื่องนู้นมาผนวกเข้าเรื่องนั้นมาผนวกเข้าหลายๆผนวกเข้าก็เลยกลายเป็นเล่มโต